พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเวี่ยงค้อนใส่หน้าผาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สตุลาคมพุทธศักราช2559 เมื่อวานวันอาทิตย์ฝนตกจังลุงพ่อได้พูดได้บอกบิณฑบาตลุยน้ำเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าน้ำกระเจิงตรงที่ใสาบาทหลวงพ่อเลยบอกว่าถ้าใครไม่มีมวาสนาคงจะไม่ได้ใสาบาทลุยน้ำ เพาเพราะว่าตั้งแต่สร้างวัดเรามากันเมื่อวานเนี่ยนะบินธบาลุยน้ําที่หน้าวัดน้ํากระเจิงเลยพอตกตอนเย็นหลวงพ่อก็ไปดูนะดูความเรียบร้อยของวัดก็นั่งรถไปดูดูบริเวณก็รู้สึกว่าทางหลังว like like ัดน้ําขึ้นเยอะนะแต่ก็ยังไม่ล้นน้ํำยังน้อยอยู่อน้ำไม่มาก ยังไม่เต็มสระนะคุณง่ายอันนี้ก็คือฟ้าฝนแต่ก็คงจะลงอีกอยู่มั้งอากาศมันอ้าวๆอยู่แล้วก็เมื่อวานตอนเย็นตอนบ่ายๆมีศรัทธาญาติโยงเข้ามามีหนุ่มคนหนึ่งมาจากนั้น มาจากทางนครพนมเขาบอกว่าเคยมาไหมเคยมาครับแต่ไม่เจอหลวงพ่อเคยมาเขามาแต่ไม่พบหลวงพ่อมาเข้านี่จะมาพบมีอะไรล่ะลูกหลานผม งานของหลวงปู่จามที่ผ่านมาหลายปีแล้วน่ะอผมได้ประมาทหลวงพ่ออในใจผมไม่สบายใจะ ผ, ผมไม่สบายใจในการประมาทหลวงพ่อในข่าวนั้นผมเลยมามาเขาไม่จบไม่เจอหลวงพ่อมาคราวนี้ผมมาขออโหสิกรรมอโหสิขอให้หลวงพ่อโปรดเมตตอาอโหสิกรรมให้ผมด้วย หลวงพ่อเออเราไม่ถือโทษถือโทษกรดเคืองให้กับใครอยู่แล้วแต่เธอมันประมาทเรื่องอะไรวะเราไม่เห็นได้ทำอะไรให้สู่เจ้าเลยเราก็ทำหน้าที่ของเราหน้าที่ปียังไงเราก็ทาตามหน้าที่ของเราสู่เจ้าทำไมไปคิดประมาทเราประมาเรื่องอะไร แต่เราก็ไม่ว่าแล้วเรายินดีโหสิกรรมให้ทุกคนนั่นแหละแต่ถึงยังไงอย่าไปทำอีกนะทำบ่อยๆไม่ดีต้องสำรวมระวังการที่จะทำสิ่งไหนก็ตามคิดอะไรก็ตามต้องระวังเหมือนกับหลวงปู่ล่าท่านพูดหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มีอะไร แ่คนที่ปราหมาดเราก็เหมือนกับเวียงค้อนตกตอกซิวใส่หน้าผาเนาะค้อนตอกซิวคนโบรานก็เขา เ, เวลาตอกถือเขมีค้อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค้อนเหล็กอย่างทุกวันเนี่ยเป็นค้อนไม้ฮค้อนตอกซิวพอเวียงจะหน้าผาค้อนหินค้อนใหญ่ๆเวียงใส่เวียงแรงเท่าไหร่มันยิ่งกระเด็นแรงแต่ถ้าคว่างควงถ้าคว่างไปแบบเบา มันก็ไม่ไม่กระเด็นแรงเท่าไหร่ท่าโมโห จ, จัดจัดเวียงจะัรงแรงเวียงเวียงค้อนจสหน้าผาแรงแรงฮมันก็ยิ่งกระเด็นแรงฮะนี่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่มีอะไรหลวงพ่อก็บอกนี่นะหลวงพ่อไปจัดงานของหลวงปู่จามนะจะตามทำตามหน้าที่ท่านเป็นหลวงอา เราก็เคยอยู่กับท่านท่านก็เป็นญาติผู้ใหญ่เราก็ต้องพยายามไปดูแลช่วยกันจัดงานให้สมศักดิ์ศรีใครจะว่าอย่างไงก็มาพูดมาคุยกันในงานเพราะเรามีหน้าที่เพราะเป็นหลวงอาของเราเราคิดว่าเราทาตามหน้าที่ถูกต้องเราจึงทำถ้าวงอื่นเราก็จะไม่ทาอย่างนั้นอันนี้จดหมาย อนู่นไปส่งขึ้นอย้อนกลับมาหลวงพ่อได้อ่านโ อ, อ้เขาว่าหลวงพ่อไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลวงปู่จามมาอยู่ก็หลงตาก็ามาอยู่อย่างนั้นแหละอถึงถี่ย้อนกลับมาหาเราโอ้อพูดได้ยังไงเราเห็นแล้วกาให้ใครๆอ่านะบับนั้นหลายคนเหมือนกันเราไม่ได้พูดเอาดี ใส่ตัวเอาช่วยใส่คนอื่นเอพูดได้ยังไงหลวงพ่อก็เลยประกาศตอนเช้าเลยระต่ไหนบอกเนี่ยนะหลวงปู่หลวงอาจามเลยนะเป็นหลวงอาของหลวงพ่อหลวงพ่ออินพ่อว่าอหลวงพ่ออินพ่อของหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นพี่ชายใหญ่ของอตระกูลนี้หลวงปู่จามเป็นพี่ชายเป็นอาคนที่สาม ของตระกูลแต่นี้พวกอาอาทั้งหลายเนี่ยมรณภาพหมดแล้วเียน้องพ่อพ่อก็เสียไปแล้วหลวงปู่จามก็ไปแล้วพวกอาทั้งหลายก็ไปแล้วทุกคนเพราะนั้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นลูกพี่ชายใหญ่ของหลวงปู่ยามพี่ชายของหลวงพ่อก็สองคนก็ไปออกไปแล้วจายตายไปแล้ว ยังเหลือแต่หลวงพ่อเนะีอยในตระกูลนี่แต่ยังเหลือพี่สาวนะี่พี่สาวเขาก็ น, นามสกุลอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องนามสกุลผิวขำแล้วนะ่ะหลวงพ่อเป็นใหญ่ในตระกูลเดี๋ยวนี่ไปถามเอาเลยบ้านห้วยสายเนะี่ยในตระกูลเนี่ยถามเลยถามทุกคนอหลวงพ่ออินเป็นใหญ่ในตระกูลนามสกุลผิวขำวเดี๋ยวนี้หลวงหลวงพ่อพูดประกาศในใส่ใยไมเลย อนะใช่ไหมนายัดครับใช่นะนะเออหลวงพ่อไม่ได้พูดเราเยาะเยะแยแยว่าแต่พูดนั่นเราพูดตรงไปตรงมาเลยเราทําอะไรเราทําเพื่อเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรเรามีแต่เสียสลักการเงินการทองที่เราไปช่วยงานหลวงปู่จามก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เราไม่ได้หวังเรื่องการเงินการทองแต่ว่ามันก็ต้องงะมีเงินนะั่นแะที่จะต้องไปจัดงานเราไม่ได้ไปกอบไปโกย ไปเพื่อหวังผลประโยชน์ทางโลกแต่ว่าเรื่องทางธรรมน่ะท่านหลวงพ่อไปทําชั่วเขาก็จะด่าในในที่นั้นอีกเหมือนกันหลวงพ่อไปทําความดีสิ่งนี้ที่มันดีคิดดีทดําดีพูดดีให้มันถูกต้องตามความเหมาะสมบางทีก็ยืดหยุนบ้างไม่ได้อย่างใจของตัวเองก็ยืดหยุนแต่บางคนก็บอกว่าทําไมหลวงพ่ออินท จัดงานของหลวงตาเนี่ยทำอีกแบบหนึ่งไปยุบตุ่ยท่า น, นโอ้รู้สึกว่าเอร์เกินไปอันนั้นก็หลวงพอ่อเออเราก็ต้องยืดยุนเออเพราะมันหลายคนเราจะเอาได้อย่างใจเรามันก็ไม่ได้มันผิดไหมที่มันเบ้อนะก็ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนเออเขาจุดพลุเออพลุดอกไม้สนันวันไหววันนั้นก็ตามไม่จริงเมื่อหลวงปู่จามท่าน หลวงอาทั้งมีชีวิตอยู่นะท่านเวลาท่านสมโพธิบูชาพระาธาตุของท่านท่านจะทำเตือนเดือนสามเพนเดือนหเพนเวลาท่านจะทําสมโพธิลูกหลานก็มาจากเชียงใหม่บ้างมาจากสมุทรปราการบ้างจะถวายจุดพุหลวงปู่เพื่อบูชาพระาธาตุหลวงปู่ก็เออหลวงปู่ก็ ไปนั่งอยู่ในที่แจ้งเขาก็จุดห่างๆนะว่าไม่ให้มันเสียงดังมากใส่ต่ำลงปูโ อ, เ, อเป็นดอกเป็นดวงเป็นลูกดอกไม้เป็นลู ก, อ, ก, ลกอะไรต่อไม่อะไรที่เขาจุดขึ้นมาแต่หลวงปู่ท่านก็ชอบ อ, อันนี้เขาจุดเพื่ออะไรจุดเพื่อบูชาพระธาตุของท่านพระธาตุพระพรมสารีนิคธาตุพระธาตุรประหาร ที่ท่านหลวงปู่ท่านโกครรพระาธาตุท่านอยู่แล้วไม่ได้จุดเพื่อสนุกสนานอย่างอื่นจุดเพื่อเป็นบูช า, าพระาธาตุพระบรมสารีริกราธาตุเนี่ยอันนี้เมื่องานศพของท่านขอกลูกหลานก็จะจุดคนลุงพ่อเขาบอกไม่เห็นผิดที่ตรงไหนมันก็จุดโพกัเป็นบูชาของหลวงปู่หลวงปู่กัท่านก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้ว นี่แหละอันนี้เราทำอะไรเราก็ต้องมองดูเหตุและผลหนะลวงพ่อบอกว่านะมาโนกรรมคำนี้เนะี่ยเมืเม่อเราบอกเ อ, อเราให้อภัยแต่ตัวเองไปจับไฟ เ, ออเราให้อภนะัยนั่นไปจับไฟนะตัวเองจับไฟมันร้อนมันก็ร้อนออถ้าหยุดจับซะเพราะมันผิดนะอย่าทำแต่อยู่ในใจของเขา เหมือนกับพระจักรพรรดมหากัะจายช น, น, นะมีหนุ่มลูกเศรษฐีอยากจะได้พามหากัะจายชนะมาเป็นแฟนมาเป็นเมียพูดง่ายๆพระองค์นี้สวยจริงๆว่ะหน้าตาผิวพรรณสดใสลเลืกินถท้าว่าเราได้เมียอย่างนี้เราคงจะมีความสุขอย่างมากเลย พอคิดอย่างนั้นขึ้นมาตัวเองก็กลายเป็นผู้หญิงทันทีเลยเอกลายเป็นผู้หญิงตายเอข้าคิดไม่ดีเแตนะ่กลายเป็นผู้หญิงเลย เ, ลยนะเออเปิดแนบไปทางอื่นนะเนี่ยหลวงพ่อก็เคยเล่าในชาดกให้ฟังแต่หลวงพ่อเองไม่ได้เปรียบเทียบกับพระมหาเถระอทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเนี่ยหลวงพ่อเปรียบเทียบอะหลวงพ่อไม่เคยคิดจะ อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลเพราะเหตุไรคนที่ผูกอาฆาตพยาบาทขับกับใครอื่นมีแต่งโง่เท่านั้นหลวงพออง่อมองไม่เห็นความฉลาดในจุดนั้นพอเราทําเขาไปแล้วมันได้อะไรเราอิจฉาเขาได้อะไรเอาเหตุผลมาพูดกันจึงในผิดจึงไในถูกจึงในควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรม ออกมาพูดกันต่อหน้ากันเลยโรงเราก็ยินดีที่จะพูดต่อหน้ากันอย่าไปพูดด้วยอ oh ok ารมโมโหโกรธามันก็ต้องมีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันมีทั้งอนาคตมันมีทุกในหลายอย่างที่เราจะต้องเปรียบเทียบเข้ า, ขาหากันอันนี้คือหลักเหตุผลที่อ้างอิงมาทำมาี้เพื่ออะไรถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมในโลกสมมุติในยุคปัจจุบัน หรือในอดีตโบราณการท่านเป็นมาอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เราก็โน้มนาวไปถึงในอดีตตระการว่าพระพุทธเจ้าได้วางไว้อย่างไรขนาดพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อท่านจะทําบัญญัติวิ น, นัยหรือว่าท่านจะทําอะไรลงไป ท่านก็ใช้ยานรัตนะของพระพุทธเจ้าสยาในในยานรัตนะของพระองค์ย้อนไปถึงอุปประเพณีของพุทธะพระพุทธเจ้ากัจจปโภโโกนคัมโนะโกกุชันโทนะท่านทำอย่างไรในเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยท่านก็ยังดูย้อนดูในในปฏิปทาของพุทธะพุทธะประเพณีของพุทธะ สาวกประเพณีก็คือสาวกสาวก ท, ทำอย่างไรอันนี้พุทธประเพณีพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยอย่างไรในพระพุทธเจ้าองค์คก่อนนั้นท่านมีญาณทัศน์นะท่านก็เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของพระ อ, องค์เหมือนกันพวัะนั้นการกระทําสิ่งใดก็ตามเราจะไปทําแบบเราคิดว่ามันถูกแล้วก็ ท, ทําทีเดียวความถูกนั้นใครเป็นคนรับรองเราเป็นพระาราหันใช่ไหม เราเป็นผู้หมดจดจากกิเลสในขนาดพระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้านะท่านก็นยังมองไปถึงในอดีตพุทธประเพณีในอดีตทำยังไงในเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะเราจะไปทำตามอำเภอใจตามมัทธาใจหัวชนฝานะมันผิดทั้งนั้นนะเราต้องมองแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงเ จ, จะไม่มีญาณรัตนะถึงขนาดนั้นก็เถอะเราต้องมองว่า แนวปฏิปทาอย่างนี้มันขัดข้องมันถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมออย่างเนี้เราก็ต้องมองดูมองดูแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่พาดําเนินมานี่แหละเดินตามพ่อก่อตามครูเอถึงอย่างไงอย่างไงก็ไม่ผิดไม่ผิดที่ผิดทางมีแต่มีแต่อะไรมีอะไรมีแต่ดันทุลังมีแต่อารมโมโหโกธามีแต่ตัวเองถูกถูกเนีย ทังที่มันจะเดินลงสู่นรกเอเวจีอยู่แล้วคนอื่นเขามองมันดูดูแล้ว บ, บางสิ่งบางอย่างมันก็หน้าทุเลตเหมือนกันนะนี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละแถ้าว่าหลวงพ่อเดินผิดกับสู้เจ้าทั้งหลายที่ฟังที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อก็ททวงตียงมาได้หลวงพ่อยินดียินดีรับฟังกับทุกคนที่จุดไหนที่มันไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมเหยียบย่ำคนอื่นทําให้เสียหาย เ, าเราก็ยินดีรับฟังทุกๆคน เ, เพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาศึกษาอย่างนี้ลนะหลวงพ่อไม่ใช่ว่าทาตามอเภอใจทาตามมัทธาใจนะให้พวกเราฟังดูเอ3สของหลวงพ่อเป็นร้อยกว่าแผ่นนะนึกฟังย้อนดูตรงไหนที่หลวงพ่อเหยียบย่ำครูบาอาจารย์ เยียบย่ำพระสงฆ์เยียบยํำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยียบย่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระไตรสารณาคมสิ่งไหนที่ทําไม่ถูกไม่ต้องหลวงพ่อเองก็ยินดีที่จะฟังจากพวกเราทุกทกท่านไม่ว่าจะอยู่ในวัดนะอยู่นอกวัดกเนะ็เถอะนะอยู่ต่างประเทศก็เถอะถ้าได้ยินออกมาแล้วนะทวงติ่งมาได้หลวงพ่อยินดีรับฟังทั้งหมด หลวงพ่อเองไม่ใช่ผู้หัวดื้อหัวร้านหัวแข็งนะหลวงพ่ อ, เ, อเป็นผู้ยอมรับในหลักเหตุผลเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ เ, เหตุชั่วผลชั่วเหตุดีผลดีทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไงพูดถูกแล้วจะผิดได้ยังไงถ้าพูดผิดแล้วจะถูกได้ยังไงหลวงพ่อยืนยัในหลักอย่างนี้นะลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองเชื่อมั่นในการดารง ของหลวงพ่อเองเรีว่าใหญ่ตามพ่อก่ตามครูอย่างที่ได้พูดให้ลูกหลานได้ฟังถึงใครจะประมาทยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่ากระสุดแท้แต่เขาจะประมาทหลวงพ่อห้ามหัวใจเขาไม่ได้หัวใจของเขาเขาคิดยังไงแต่หลวงพ่อไม่แต่ว่าในเมื่อเขาคิดผิดแล้วก็เอา้เอากลับมาขอโทษขออภัยหลวงพ่อเอา้าอย่าประมาทอีกนะ ต้องสำรวมระวังนะ เ, เราไม่ได้ทำอะไรกับเจ้าเราไม่เห็นเจ้าอีกต่างหาก เ, เจ้าอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้อีกต่างหากทำไมมาหาคิดประมาทข้าหลมหลมเล้งแล้วโง่โง่เ ง, ง, ง, งาเ ง, า, งาได้ยังไงถ้ามีอะไรก็ต้องมาถามสิอยากจะรู้รู้เหตุผลบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าจะพูดได้ทุกอย่างไม่ใช่บางทีพูดใด้สองคนพูดให้ฟังได้เรื่องมันเป็นยังไง ได้สตว์สามสี่คนพูดไปได้ก็มี เ, เพราะเหตุไรเพราะบางสิ่งบางอย่างมันจํากัดใน เ, เรื่องที่จ ะ, ะแสดงความคิดเห็นให้ฟังแต่บางครั้งก็พูดให้ฟังแบบทั่วๆไปฟังได้แต่บางเรื่องกนะ็ต้องมีวงจํากัดในการแสดงความคิดเห็นนี่แหละไม่ใช่ว่ามีอะไรก็พูดปรามปรามไปหมดเหมือนบ้านทําลายเหมือนกับหมาบ้ากัดด่าไปหมด พุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นนะกะนัตธาย า, า, าตโยมทุกคนนะให้มองดูตนเองผิดถูกรู้ไหมควรไม่ควรรู้ไหมการพูดการกระทาออกไปเนะี่ยรู้ไหมการพูดออกไปมันกระทบกระเทือนคนอื่นรู้ไหมทำให้คนอื่นไม่สบายใจรู้ไหมแต่ไม่สบายใจกูจิงแต่ว่ามันผิดนะแต่มันผิดกควรจะพูดมากน้อยแค่ไหนอ ย, อย่างไรต้องรู้จักการสถานที่บุคคล เหมือนกับหลวงปู่มั่นบางทีท่านพูดเป่งเป่งด่าพระด่านี่นะแต่บางองค์งงเข้ามาหาเนะี่ท่านพูดนะพอด่อถึงนั้นนิสัยอ่อนนะ่นิสัยอ่อนน้อมนิสัยอ่อนอยู่แล้วนะจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เนยะเสียหายเหมือนกับปู่พูดกับหลานนะมาน้อมมาแนมมานอมมาแนมมานอมมาแนมแต่กับองค์อื่นทำไม่ได้เถึงเหมือนกับปลากัดนะเข้ามาใกล้ซัดเลยเปียงเปียงเปียงเลยะนี่แหละ อันนี้เราก็ต้องรู้จักการละถึงจะให้เรียนแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแบบก็ต้องให้ฟังเอาไว้การเข้ากับคนในรู้จักนิสัยของคนเป็นยังไงถูกนิสัยแข็งไหมนิสัยอ่อนไหมนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเจตนาหรือไม่เจตนาในการเรื่องเขาในการกระทําผิดของเขาในเรื่องนั้นๆสิ่งเหล่านี้ถ้าหัวหน้าระบบออยู่ด้วยกันที่มีปัญญานะ ก็รจังรู้จักกาละการสถานที่บุคคลสรุปแล้วก็ไม่นี้ออกจากจุดนี้เหมือนกันนะพราะนั้นวันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่วันนี้ก็เห็นว่าแม่ตู้งวนหลงป่าพุทธเอามาวัดได้หมดเลยกับลูกหลานแม่ตู้งวนหลงหลงป่าเออเกือบไปไม่รอดพูเทเเ่าเป็นหลงป่าลงทั้งหลายวันมันได้กินข้าวกินน้ํานววดีเด้ อานนีสงศิ์อันนี้สงทานของพุเทเฒ่าไม่ใช่ธรรมดาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมพอตู่งวนแม่ตู่งวนนะ่ยหลวงพ่อไปอยู่จำพรรษาปีสามศูนย์นั่นนะนะไปอยู่ที่บ้านเพิ่มไปสร้างวัดบ้านเพิ่มก่อนท่านสดไปอยู่นะ่หลวงพ่อไปจำพรรษาที่นั่นแหลนะแล้วก็แม่ตู่งวนเนะ่ยพอตู่เรืองลูกหลานหมนี่แหละดูแลอุปถัมภะทักได้รับความอบอุ่นจากลูกหลานโมนี้ใช้เช้าได้เช้าใช้เย็นได้เย็น มีอะไรก็เ น, นี่ยเรียกหาพวกลูกหลานเหล่าเนี่ยมาพัฒนาวัดจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างทุกวันนี่แหละสรุปแล้วก็ให้ลูกหลานมั่นคงในศีลในธรรมแลลูกหลานทุกคนเนออืมไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าศีลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้ามีศีลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเนี่ยลมเย็นเป็นสุขอยู่นสถานที่ใด พ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราพาเข้าสู่วัฏวาศาสนาพาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลูกหลานมั่นคงนยึดแนวแถวปู่ย่าตายายอย่างหลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่อกับปู่ทั้งปู่ทั้งย่าทั้งย่าก็เป็นแม่ชีตายเป็นพระขาวบวชตั้ง30มสบกว่าปีคุณปู่ก็น่ะไปตายอยู่หลังเขาภูเก้าตายที่ถ้ำตายที่ถ้ำภูเก้าอำเภอหนองสูงน่ะ ตายผลยอดเขาตายอยู่ในถรร้มบวชมาได้6ปีเป็นมันเละเป็นสมัยนะั้นเป็นวรรณะโลกในปอดยมพ่อผู้ในฟั่งก็ตายเนี่ยยมพ่อก็ตายเป็นยมปู่ก็เป็นพระตายคุณย่าก็เป็นแม่ชีตายจากนั้นพวกอาอาหน้าน า, น า, นาทั้งหลายมีตาพาเข้าสู่วัดวาศาสนาเข้าสู่ศีลสู่ธรรมปลูกฝังลูกหลานอุปนิสัยหม่หลวงพ่อจะได้เป็นพระในพระพุทธศาสนามา ถึงเดี๋ยวนี้แหะหลวงพ่อเสียใจไหมหลวงตาของพวกเราเนี่ยลูกตาอินเนี่ยเสียใจไหมนี่ที่มาบวชอย่างนี้หลวงตาอินภาคภูมิใจอย่างมากลูกหลานพูดให้ใครฟังหนึ่งอกไหลอกไผ่อกไผ่ไหลผึ่งแล้วเงี้นยืนตัวนิ่งเลยกล้าพูดกล้าแสดงพราะเราไม่ได้ทําความช่วยเสียหายมีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมทั้งนั้นอย่างพวกลูกหลานได้มาฟังจากหลวงพ่อเนี่ยเนี หลวงพ่อมีจะบอกลักกล่าวลูกหลานเนอ้ออย่าไปทําความชั่วคิดดีทดําดีพูดดีนะลูกหลานเนอ้อหลวงพ่อมีจะสอนอย่างนั้นนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาและพอนัตตินา